มาจากที่ไหนกันมาจากโคราชโคราชเคยมาครบปะมาที่หนึ่งค่ะมาที่ก็เหรอที่น้ำพี่ตาวมาพี่ไ่มาอยู่บ้านไผ่เลยอยู่งพีไม้พี่มาที่เคยมีลูกชายมาด้วยไหมลูกชายมาได้มากค่ะมาได้มาเาที่ล้ลูกชายมาด้วยลูกชายจะขายของค่ะพี่พี่เขาบุรีรัม่ะ บันไหมทำวนี่อันบด่เห็นยังไะมาทำอะไรามาสังกระท่านม า, มาทํางับุญมาทำบุญนะสังกท่านผู้นี้ค่ะทำที่ไหนทำที่กาลง้งเ่อ๋อ <c oughs> เป็นมันอะไรเลย อ, อยากมาทำทำที่ถาซีไกนะคะ ม, มาทำ ทำทำวันนี้หรอเพื่อพรุ่งนี้ท ำ, ทำพรุ่งนี้ชาวีนิจียกอาหารอมอที่วัดเลยนั่งตรงไหนก็ได้ตรงนั้นเป็นที่ของก้อนเขาที่บ้านมีวัดใกล้บ้านใกล้บ้านหรือเปล่ามีมีค่ ะ, ะมีเลยนะวัดกำบั้นะ ก็ไปทาบุญเป็นประจำจะจมีพรามาบินถบาตรป่ะมีนะก็ทาบุบ uh, ญผู้ยาญโยมก็ต้องใส่บา ท, ทสสรําบุญรักษาศีลห้าวันพระก็เข้าวัดฟังเทศฟังธรรม uh, ถึงศีลแปดทำอย่างนี้แล้วตายไปไม่ต้องไปเกิดในอาบาย รักษาสีหน้าไว้ให้ดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดโปรวณีไม่พูดปดไม่เดิมโุลายามเม้าไม่เล่นการพนันแล้วก็ทำบุญตามโอกาสตามกำลังมีเงินมีทางมีอะไรพอจะทำบุญได้ก็เอาไปทาบุญตายไ ป, ไปจะได้มีบุญติดตัวไป บุญนี่ละที่จะพาให้เราได้ไปสวรรค์กันบาป ก, ก็ป้องกันไม่ให้เราไปอบายไม่ทำบาปรักษาศีลก็จะป้องกันไม่ให้เราไปอบายล้วภาวนาทำใจให้สงบ ก, ก็จะไปนิพพานไปพรมไปพรมรโลกไปนิพพานกันอันนี้เป็น หน้าที่ของชาวพุทธเราถ้าอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาอันนก็ไม่ต้องบูชาด้วยอะไรบูชาด้วยการปฏิบัติเพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเราพระพุทธเจ้าต้องการช่วยเหลือเรา หลวงพรต้องแยกไปอยู่ที่ศาลา น, นั่นก่อนนะเพราะว่าเหมือน่ออาตยมจะนั่งตรงไหนก็ได้อ่าเปิดมือถือด้วยน ะ, ะช่วยปิดมือถือด้วยขึ้นมาแล้วอย่ารับติดต่อกัน ก็จะลบกวนคุยกันฟังทมไปมันก็จะชนกันเสีรรยงสัญญาณมันก็จะมาลบกวสรรนสัญญาณขึ้นของลำโพงมีใครอยากจะทมอะไรไหมเอามาจากไหนฮะสลาวัตต<า>์ต่ำก็ให้มาล่ะอาจารย์าเสียน ขึ้นต่อไหครับปีลครับเราไม่เก็บไว้บูชาละเก็บไว้บูชาสิมีหลายอย่างเก็บไว้บูชาเถอะนะเราไม่รู้จะไปทําอะไรเราปฏิบัติบูชาอยู่ครับะถ้าปฏิบัติบูชาก็ไม่ต้องมีพระพุทธรูปไม่ต้องมีพระธาตุถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติบูชาก็บูชาพระพุทธ ร, ททรทูปรไปก่อน บูชาพระทานไปก่อนผู้ที่ปฏิบัติบูชาแล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระต้องมาเสียเวลาจะทำให้เสียเวลาปฏิบัติอาปฏิบัติบูชารักษาศีลภาวนาทำจิตใจให้สงบจรรยสติ ไม่ให้คิดปรุงแต่งใครอยากจะถวายอะไรก็เข้ามาถวายได้อนนี้ไม่ได้พูดอะไรเป็นกิจลักษณะพูดไปหยุดไปเหมือนว่าไม่ใช่ล้นด่วนจอดทุกสถานีพู้อไสารบวกเมื่อไหร่ก็จอดรับนะใครมาจะถวายอะไรทไรก็ถวายได้เลย ล้วันสาว์เทนนี่เป็นรถ ด, ด่วนเทนแล้วไม่ไม่หยุดไม่ไม่ต้องตายวางไว้ทับเนี่ยคุณพ่อเป็นยังไงมีขึ้นเยอะเลยอ่ะมีแ่ีแมโมโหมากเลค่อลูกเลยเหื่อไม่ทำบุญก็คนไม่สบายก็อย่างนี้แหละต้องเอาใจเขาหน่อยอย่าไปขัดใจขัดใจเขาข็ามโมโหสิ อันนี้กลับมาอยู่บ้านแหละกลับมาเดือนครึ่งแล้วเนาะ่ะสมเดืนครึ่ ง, นนงดีต่ออายุไปบุญยังไม่หมดอยู่ก็อยู่ให้เกิดประโยชน์อยู่เพื่อเอาธรรมเข้ามาสู่ใจพอเราสามารถเอาธรรมติดตัวไปได้เอาศีลติดตัว ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองบ้านช่องต่างๆนี้เอาไปไม่ได้ลูกลูกก็เอาไปไม่ได้ภรรยาสามีก็เอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่ทำบุญทำทานนี่ก็ได้ไปได้บุญไปรักษาศีลก็ได้ศีลไปรักษาสมาธิปัญญาพอไปเกิดใหม่ก็จะมีศีลสมาธิปัญญา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 ถ้าไม่ถ้าไมไปถึงพระนิพพานก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เรียนพยายามพยายามปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาทำไปเรื่อยๆแล้วจิตจะผ่องใสจิตจะสะอาดจิตจะสงบ จ, จ, จิตจะมีความสุข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 พอใจเราไม่สงบใจเราเหมือนจิ้งหรีดพอใครก็ออะไรมาปั่นหัวหน่อยก็ร้องคิดคิดคิดคิดขึ้นมามัต้องทาใจให้สงบแล้วใจจะเย็นใจจะหนักแน่นเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ใช่พอได้ยินคำชมก็ดีใจพอได้ยินคำด่าก็เสียใจ แล้วว่าใจไม่หนักแน่นถ้าใจหนักแน่นแล้วเฉยใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยอันนี้ความเฉยของใจนี่เป็นความสุขอย่างยิ่งทำใจให้เฉยแล้วจะมีความสุขจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรเพราะเราก็อยากอยากจะมีไปเรื่อยๆ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 เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ต้องปนกันไม่ต้องพุทเข้าโทรออกก็ได้ดูลมก็หลับตาแล้วก็ดูลมที่ปลายจมกูกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเขา้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกรู้แค่นี้ไม่ต้องไปรู้อะไรไม่ต้องไปคิดอะไรหรือถ้าจะใช้พุทธโธก็พุทโธพุทโธไปไม่ต้องดูลมก็ได้ท่อพุทโธพุทโธไปภายในใจ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 ยังถ้าเราจะใช้พุทธโธก็พุทธโธไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปดูลมถ้าจะดูลมก็ไม่ต้องพุทธโธจะสบายกว่าถ้าดูลมได้มันสบายกว่าพุทธโธเพราะมันไม่ต้องท่องมันเป็นแต่ดูเฉยๆแต่ถ้าดูลมไม่ได้ก็ต้องท่องพุทธโธไปก่อนเพราะมันยังคิดมากอยู่พุทธโธพุทธโธสู้กับความคิดไป แต่ถ้าอยากจะใช้พุธเข้าโท อ, อกก็ได้ไม่ไม่ห้ามเพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นวิธีเดียวพุธเข้าโท อ, อกก็ได้พุธโทอย่างเดียวก็ได้ดูลงอย่างเดียวก็ได้มีถึงสวิธีด้วยกันก็สามารถเลือกเอาได้ชอบวิธีไหนนั่งแล้วใจสงบก็เอาวิธีนั้นแต่จะสงบไม่สงบก่อนจะนั่งก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อน ต้องหยดความคิดด้วยการท่องพุโทโธไปเรื่อยๆก่อนหรือถ้าไม่ท่องพุโทโธก็ต้องคอยเฝ้าดูร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกาลังทำอะไรอยู่กำลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับการเดินวิธีที่จะให้มีสติอยู่กับการเดินก็ต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัวเดินในป่าเนียมันจะคอยดูอยู่เรื่อยๆว่า ข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่ามันจะไม่กล้าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวมีอะไรข้างหน้าจะมองไม่เห็นมองไม่ทันพระท่านชอบไปอยู่ป่ากพาะจะทำให้มีสติใจจะไม่ลอยใจจะไม่ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เวลาร่างกายทำอะไรก็จะเฝ้าดูการกระทาของร่างกายไปถ้าอย่างนี้เวลานั่งสมาธิก็จะไม่คิดอะไร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 ร่างกายตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าใจไม่นิ่งก็ยังต้องพึ่งร่างกายอยู่เพราะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปดูต้องไปฟังต้องไปเดินต้องไปรับประทานต้องไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นีน่พอไม่ได้ทําก็หมดกิจนาขาดใจแต่ถ้าทําใจให้นิ่งได้แล้วมันจะไม่หมดกิดจําขาดใจ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 มันจะหมดก็หมดไปตายไปก็ไปไม่ได้อยู่ดีไปห่วงไปห่วงทำไมร่างกายนี้อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปใจไม่ต้องพึ่งอะไรแล้วไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องพึ่งคนนั่นคนนี้ไม่ต้องพึ่งสิ่งนั่นสิ่งนี้ใจพึ่งตัวเองได้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 เวลามันออกจากความสงบถ้าเกิดความอยากก็สอนใจว่าอย่าไปอยากอยากเราทุกข์อยากเร า, า, าอยู่เฉยๆไม่ได้อย่างตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าอยากจะไปสูบบุหรี่ก็นั่งไม่ได้ลนะถ้าอยากจะไปกินกาแฟาก็นั่งไม่ไดนะ้แต่ถ้าไม่มีความอยากก็นั่งต่อไปได้สบายถ้าไปดื่มกาแฟาดื่มเสร็จเดี๋ยวก็หมดแล้วเดี๋ยวก็อยากจะดื่มใหม่ ถ้าเวลาไม่มีเดือมก็จะทุกข์ก็จะเดือร้อนอีกการไปทําตามความอยากเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ได้เป็นการไปหาความสุขความสุขได้มาเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหาใหม่ไม่ได้ก็ทุกข์พออยากแล้วไม่ได้ก็ทุกข์อย่าตัามตามความอยากปล่อยให้มันอยากไปเราไม่อยากไปทําตามความอยากเดี๋ยวมันก็หายไป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 ฝือความอยากได้หยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันไม่ต้องมีร่างกายอยู่แบบไม่มีร่างกายสบายกว่ามีร่างกายแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเลเหนื่อยวันวันหนึน่งนี่เลี้ยดูร่างกายก็เหนื่อยแล้วอาบน้ำอาบท่าล้งหน้าแปรงฟั น, น, นแต่งเนื้อแต่งตัวอ า, อาหารมารับประทาน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 ร่างกายตายไปความอยากยังไม่ตายก็ไปหาร่างกายอันใหม่ว่าทําต่อก็มาทุกข์ใหม่ทุกข์กับร่างกายทุกข์กับการเลี้ยงดูทุกข์กับการเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความตายถ้ามานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบได้ใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปทําตามความอยากได้ความอยากก็จะหมดไป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 เราไม่ทาตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็หมดไปเองอ น, นี่คือเรื่องของทมที่เราเอาติดตัวไปได้ถ้าเราทายังไม่จบเราก็ไปทาต่อได้พอได้ร่างกายใหม่ล้วก็ถ้านั่งสมาธิได้เราก็ไปนั่งสมาธิต่อรักษาศีลได้เ้วก็รักษาศีลต่อไป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 กับสิ่งที่ได้มาและเวลามันหายไปก็เสียอกเสียใจเวลามันหมดไปนี่คือถ้าเราทําตามความอยากมันจะพาเราไปสู่ความวิตกกังวลไปสู่ความรักความหวงความห่ว ง, ววงไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งต่างๆอยากไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรอยาาไปอยากเป็นอะไร อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบเนี่ยดีที่สุดอยู่กับความไม่มีอะไรมีแล้วมันทุกข์ถ้าไม่มีแล้วมันไม่ทุกข์ไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีตาหูจมูกดิ้นกายแล้วจะสบายมีแล้วจะทุกข์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้า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 ท่านมีความสุขมีบรมมารมสุขท่านก็อยากให้พวกเรามีบรมมารมีสุขเหมือนกันเราอยากจะมีบรมมารมีสุขเราก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่าไปมีมากเกินความจาเป็นมีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอแล้วก็รักษาศีลอ่ไปทำบาป ท, ทำบาปแล้วใจจะไม่สงบแล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้หลวงให้นิ่ง แล้วก็จะอิ่มจะพอเกิดความอยากก็อย่าไปทําตามความอยากให้รู้ว่าการทําตามความอยากเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขนี่คือการปฏิบัติบูชาถ้าเราทำไปแล้วต่อไปมันจะติดเป็นนิสัยไปถ้าภพนิชานี้ยังไม่สําเร็จ เกิดปกดต่อพบหน้าชาติหน้าก็ทำต่อได้เลยไม่ต้องมีใครสอนพอมันติดเป็นนิสัยไปแต่ถ้าทำจริงๆพบนิชาตินี้ก็สำเร็จได้ภาษาของพระพุทธเจ้านิสาเร็จในชาตินี้กันทั้งนั้นเกิดมาพวบฟังเทศฟังธรรมปุบ๊บก็ปฏิบัติตามไม่กี่ปีไม่กี่เดือนก็บรรลุ ก, กัน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 เป็นคาราวาก็ยังต้องทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ก็เวลาจะมีน้อยมีไม่มากไม่พอต่อการปฏิบัติถ้าไม่ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปเป็นผ้าไปเป็นทีนี่ก็สบายมีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ถ้าปฏิบัติเต็มที่ผลก็จะมาเร็วถ้าปฏิบัติไม่เต็มที่ผลก็จะมาชา้าอาจจะไม่ทันการ ตายอาจจะตายก่อนสําเร็จแตถ้าปฏิบัติอย่างเต็มที่นี่รับรองได้ว่าต้องสําเร็จก่อนตายกันพรุสาวกทั้งหลายนี่ท่านสําเร็จก่อนตายทั้งนั้นอพระพุทธเจ้าก็สําเร็จก่อนตายพระพุทธเจ้าสําเร็จตั้งแต่อายุ35ปีออกบวชอายุ29บเกุปฏิบัติ6ปีก็สําเร็จพระสาวกก็เหมือนกัน บางคนก็หลายปีบางคนก็ไม่หลายปีสำเร็จกันในภพนี้ชาตินี้กันทั้งนั้นถ้าปฏิบัติกันอย่างเต็มที่คาราว่านี้ไม่ค่อยสำเร็จกันสำเร็จน้อยกว่าเพราะคาราว่าไม่ปฏิบัติอย่างเต็มที่บางคนช่วงนี้ไม่ต้องทำงานทำการก็มีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่ก็สำเร็จได้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 ผลที่จะเกิดขึ้นเกิดจากการปฏิบัติจะปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้องก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าวิธีปฏิบัติที่ดีวิธีที่ปฏิบัติถูกต้องเป็นอย่างไรก็ต้องไปยึ่ไปอยู่กับผู้บาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็จะสอนวิธีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เราเอาไปปฏิบัติตามเราก็จะได้ผล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 การบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาด้วยการปฏิบัติน้อมถวายกายวาจาใจให้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่ก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นกับเราพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็จะดีใจไปกับเรา ที่เห็นเราได้มีความสุขเหมือนกับท่านเหมือนรุ่นพี่ที่เรียนจบแล้วคอยต้อนรับรุ่นน้องพอรุ่นน้องเรียนจบรุ่นพี่ก็ดีใจแสดงความยินดีแต่รุ่นพี่ไม่สามารถเรียนแทนรุ่นน้องได้ไม่ได้คอยเชียร์คอยบอกวิธีเรียนรุ่นน้องต้องพยายามเรียนกันเองถ้าพยายามสุดสุดสุดแล้วไม่ก็ต้องได้ มีความสามารถทลายทุ่มไปให้หมดเลยไม่ต้องหวงมีกำลังที่จะปฏิบัติได้มากน้อยเท่าไหร่ปฏิบัติไปเลยบางองค์ท่านแบบไม่นอนเลยไม่ยอมเองหลังปฏิบัติสามิรยาบทเดินยืนกับนั่งไม่นอนนอนแล้วเสียเวลาไม่อยากจะเสียเวลากับการหลับนอนถ้าจะหลับก็ให้มันหลับในท่านั่งนี้ มันจะได้หลับไม่นานหลับแค่ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็เตนแล้วพอเตนขึ้นมาก็ลุยต่อปฏิบัติต่อเนี่ยมันถึงไปได้เร็วต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติทุ่มกำลังที่มีอยู่ให้กับการทําปฏิบัติทั้งกำลังกายทั้งกลังใจไม่ไปเสียเวลากับภารกิจอย่างอื่น ไม่ไปยุ่งกับใครไม่ไปเกี่ยวข้องกับใครเอาแต่เรื่องการปฏิบัตินี่เรื่องปฏิบัติบูชานี่เป็นวิธีที่บูชาที่ดีที่สุดดีกว่าไปทอดกรถินไปถวายสังฆทานอันนั้นบูชาแต่บูชาเล็กๆน้อยๆไม่เท่ากับไม่เหมือนกับบูชาแบบปฏิบัติบูชาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา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 เวลามาปฏิบัติมันก็ต้องแบ่งกันไปเวลาปฏิบัติก็น้อยลงอาจจะครึ่ง น, นึ่งครึ่งหนึ่งไปไปทำงานอย่างอื่นครึ่งมาปฏิบัติมันก็จะยากเพราะเวลาไปทำงานอย่างอื่นมันก็ไปสร้างขวากหนาให้กับการปฏิบัติต้องไปคิดปรุงแต่งพอจะมาปฏิบัติกว่าจะหยุดความคิดปรงแต่งได้ก็เหนื่อย คนปฏิบัติยังไม่นิยมไปทาภารกิจอย่างอื่น mm. เพราะการทำนะั้นมันมาขัดขวางการปฏิบัติเป็นขวาน้ำทำให้การปฏิบัติย่งยากและราช้า mm. ถ้าไม่ไปทำงานอย่างอื่นมันก็ไม่ต้องคิดเรื่อ ง, เ ร, อ ง, งเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องงานเรื่องการมันก็ทำใจให้สงบได้ง่ายได้เร็วดัง mm. นั้นถ้าอยากจะไปทางนี้ก็เอามันเต็มที่เลยดีกว่า อยากไปรักพี่เสียดายเนาะเงินทองงานการก็เสียดายมรรคผลนิพพานก็อยากได้ทาไปทํามาไม่ได้สักอย่างมรกผลนิพพานก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่ก้าวของเงินทองตายไปกอาไปไม่ได้จะเอาของที่เอาไปไม่ได้ทาไมโยนทิ้งไปไม่ดีกว่านะเอาของที่เราติดตัวไปได้ ามรรคผลนิพพานติดตัวไปได้มาทุ่มเทชีวิตให้กับมรรคผลนิพพานดีกว่าอย่าไปทุ่มเทเวลาให้กับราบยศสารเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเลยจะเสียเวลาจะทําให้ไปแบบไม่มีอะไรติดตัวไปตายไปราบยศสารเสริญก็ไปไม่ได้มรรคผลนิพพานก็ไม่มีก็เอาก็ไม่มีไปด้วยเพราะไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ผล ถ้าอยากจะไปทางนี้ก็ต้องเอาทางใดทางหนึ่งจะดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้ไปก็พยายามว้ตั้งเปาว่าต้องไปทางนี้พยายามลดการงานต่างๆให้มันน้อยลงไปพยายามพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆให้มันน้อยลงไปแล้วพอปฏิบัติทางนี้ได้มีกำลังมากพอเนี่ยมันก็ไปได้เลย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 ความอยากถูกกิเลต้าหานด่งกลับไปหาลาภยศสรรเสริญใหม่เร่องทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การทุ่มเทเวลาเวลาของเราให้กับการปฏิบัติถ้าเราเป็นคารวาก็มีเวลาว่างก็ให้กับการปฏิบัติไปอย่าไปเที่ยวอย่าไปเล่นอย่าไปกินไปดืม่มไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย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 ความสุขนี่สําคัญนะอย่าไปคิดว่ามันเป็นของเล่นๆ่นเวลาไม่มีความสุคนี้รู้สึกไงเบื่อหน่ายไหมเวลาที่มีความทุกข์นี่อยากจะฆ่าตัวตายกันหรือเปล่าพอเราไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขดับความทุกข์กันนะปล่อยชอบไปสร้างความทุกข์กันโดยคิดว่าเป็นความสุขแล้วนะนน การไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละเป็นการสร้างความทุกข์กันไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขพอเวลาเสื่อมราบเสื่อมยศเสื่อมสรรเสริญ ส, ส, ส, สูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสไปก็ร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันแต่ถ้าหาธรรมแล้วจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันเสียไม่มีวันหดุดเพราะถ้าเราหาได้เราก็จะรักษาได้รักษาได้เราก็จะ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 ว่าที่เราจะได้มาความสุขทางจิตใจมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมกันเราใครเยี่ยวสายกูอีกแล้ววันนี้โชคดีจริงจกนร้อตุกแกมันปัสสวะใส่ไม่เป็นไรนะท่านะ ลงมาที่มือเลยก็ดีไม่ตั้งเจ็บแล้วเอาอย่างนี้ก็จะให้พอมันหมอพอแล้วพูดมาก <c oughs> อ, าอยาก่าเพขึ้นมาอยา่าเพขึ้นมาไปไม่สะดวกตอนนี้ให้คุณมาแล้วคุณทำให้รังแตกไหมอออไปเลยไปเลยแม่นลงมาอา่า เม่ราอยากจะถามไหมพ่ อ, อไม่ออกอถาวายสังฆทานวันน่ได้กคเอาได้ได้ตองถ้าถอยตอนเช้าก็ต้องมาตอนเจ็ดโมงครึ่งนตอนที่พระเขาจะฉันกันที่สาลากลับจากมินดบาดประมาณเจ็ดโมงครึ่งดี๋ยวนี้เอามินดาบาด หกโมงสิบห้ามินตบาเสร็จก็ประมาณเจ็ดโมงสิบห้ากลับวัดก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วก็จะเริ่มฉันก็ประมาณแปดโมงช่วงนั้นถ้าอยากจะถวายสังฆทานถวายอาหารก็ถวายช่วงเจ็ดโมงครึ่งอ น, ใใอนอนบ่ายก็ไม่มีอาหารมีแต่ ข, ข อ, อเลีย้ยงยา่แมานะ่ะหนักนะอ่ ะ, อะเล่มน้อยๆก่อนไม่ใครอยากจะถามอะไรหรือเปล่า สงสารอะไรก็ถามได้นะเดี๋ยวไม่มีคําถามตรงนี้ก็จะให้ทางบ้านโทรนี้วันนี้เข้ามาครับค่ะคำถามจากทางกลุ่มไลน์นะครับคําถามจากคุณหญิงนะครับการขอคําแนะนําท่านอาจารย์ในการอบรมเด็กอายุย่างหกขวบเจ้าค่ะ จะอธิบายเด็กอย่างไรข้อที่หนึ่งหากเด็กมักพูดตำหนิเพื่อนที่โรงเรียนให้คุณแม่ฟังบ่อยๆเมื่อกลับจากที่โรงเรียนแล้วเด็กมันก็พูดไปตามประสาเด็กแล้วอย่าไปกังวลกับมันมากเลยสอนให้รู้ผิดถูกดีชั่วไปก่อนอข้อที่สองเด็กกลัวความผิดจึงไม่กล้าพูดความจริง แต่จะพูดแก้ตัวเช่นบอกว่าลืมที่จริงอาจจะไม่ลืมหรือบางครั้งพูดโกหกแทนก็บอกก็ว่าโกหกไม่ดีนะโกหกแล้วมันทำให้เราเป็นคนที่ไม่มีเครดิตพูดอะไรก็จะไม่มีใครเชื่ อ, อสมัยสมัยก่อนก็มีนิทานอีศบให้สอนเด็กเ่เด็กเลี้ยงแก่ถ้าเราพูดโกหกแล้วเวลา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 โกหกไม่ดีโกหกจะทำให้เราเสียเครดิตจะทำให้ไม่มีใครเชื่อเราแล้วต่อไปเราก็จะไม่มีเพื่อนไม่มีคนที่เขาจะคบค้าสมาคมด้วยคำถามจากคุณปุณรัตน์นะครับถามเรื่องธาตุรู้คืออะไรคะก็คือจิตไงจิตนี่เราเรียกว่าเป็นธาตุรู้เราเรียกว่าจิต ร่างกายนี้ก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟมีสองชีวิตเรานี้มีสส่วนมีธาตุดินน้ำลมไฟที่เรียกว่าร่างกายร่างกายนี้ทำมาจากธาตุดินน้ำลมไฟส่วนจิตนี้เป็นธาตุรู้ที่ไม่ต้องรวมเป็นธาตุรู้ที่คิดที่ที่คิดที่รู้ที่ใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆ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 นิ่งๆจะรู้สึกว่าในจุดที่จิตตั้งอยู่ท้องน้อยบริเวณใกล้สะดือจะรู้สึกเย็นเย็นสบายสบายบางครั้งมีอาการชาขนลุกตึงๆบางครั้งก็เปลี่ยนจุดชาไปที่เท้าบ้างคะ่ะสังเกตบ่อยๆโดยปกติร่างกายแข็งแรงดีคะ่ะหนูขอเรียนถามว่าดำเนินมาถูกต้องหรือไม่คะ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 ก็ต้องดูตรงนั้นดูที่ความสุขใจที่เกิดขึ้นมันถ้ามันสงบจริงนี่มันจะสุขใจเบา อ, อกเบาใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นความรู้สึกที่ดีกว่าได้เงินไ ด, ได้ดีกว่าถูกออตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคือความสุขที่จะได้จากความสงบมันต้องแปลกประหลาดมหัศจรรย์ใจนั่นแ่ะถึงจะเรียกว่าสงบจริง แล้วมันก็จะไม่อยากได้อะไรแล้วมันอยากจะได้ความสงบเพียงอย่างเดียวมีอะไรตอนนั้นก็อยากจะเลิกอยากจะทิ้งไปหมดอยากจะเอาเวลามาสร้างความสงบสร้างความสุขแบบนี้แล้วนั่งไปแล้วถ้ายังไม่ร้องออยังไม่ดี อ, อกดีใจกับผลนี่ก็แสดงว่ามันยังไม่ใช่เป็นความสงบที่แท้จริง ถ้าได้อันนี้แล้มันอยากจะปฏิบัติมากเพิ่มมากขึ้นทางานนั้นก็อยากจะลาออกจากงานมีสามีมีภรรยาก็อยากจะหยา่าอยากจะไปอยู่คนเดียวอยากไปหาความสงบเพรรู้ว่าเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันอยู่ดีสูตายสู้จากกันตอนนี้ดีกว่าเพื่อจะได้มีเวลาไปสร้างความสงบให้มากขึ้นดีกว่าอยู่ด้วยกันแล้วได้ความสุขที่สู้ความสงบไปได้ แล้วเดี๋ยวก็ต้องอย่ากันตายจากกันอยู่ดีคนที่พบกับความสุขที่แท้จริงแล้วจะพร้อมที่จะเลิกพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ไปหมดแม้แต่ชีวิตร่างกายนี้ก็ยินดีที่จะให้มันตายไปยึงไม่กลัวกลัวความทุกข์ยากลำบากคนที่มีความสงบได้ความสงบแล้วจะไม่กังวลกับเรื่องความทุกข์ยากลำบากของร่างกายที่ไหนที่มันสงบที่มันทาให้จิตสงบนี่มันไปได้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 อย่าไปรู้เรื่องขนมนมเนยอย่าไปรู้เรื่องทีวีละคร อ, อย่าไปรู้เรื่องคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้รู้อยู่กับเรื่องของลมเพลงอย่างเดียวจถึงจะสงบได้ถ้าไปรู้เรื่องขนมนมเนยเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาก็จะไม่อยากนั่งต่ออยากจะลุกขึ้นไปหาขนมกินข้อที่2การที่เรารับขึ้นความคิดของคนได้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 มันไม่อยู่กับพุโทโธือไม่อยู่กับลมมันก็จะรวมไม่ได้เพรามันวนแต่ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นคำถามจากคุณกมลทิพย์หนูตั้งใจจะนั่งสมาธิสาสิบนาทีค่ะแล้วเป็นตะคิวที่ขาขาชามากเลยค่ะควรจะทำนั่งต่อไปไหมคะก็นั่งได้ก็นั่งไปช่างมันมันจะเป็นตะคิวมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมัน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 ก็หยุดมันได้ไถ้าเรามีสติก็หยุดมันเราก็พุทโธ Gore, พุทโธไปมันคิดเราก็พุทโธพุทโธไปถ้าเราหยุดเราหยุดพุทโธมันก็คิดต่อไปเหมือนรถที่มันไหลลงเขาถ้าเราเหยียบเบร km ันก็หยุดถ้าเราปล่อยเบร km ันก็ไหลต่อจิตก็เหมือนรถที่วิ่งลงเขาเนี่ยถ้าไม่เหยียบเบร k มันก็จะคิดไปเรื่อยๆพอเราเหยียบเบรคพอเราใช้สติใช้พุทโธมันก็จะหยุดคิด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 อยากเรียนถามว่าการที่เราไปเขาใหญ่ทุกสัปดาห์นี้มากเกินไปหรือเปล่าคะเพราะญาติญาติและเพื่อนๆบอกว่ามากไปค่ะเอาน้อยไปต้องไปทุกวันอนะไปบาทุกวันคนำะ <c oughs> ถ, ถามจากคุณพัชลาลเรื่องปฏิจจส ม, มุติประบาทเป็นกระบวนการของการเกิดทุกการดับของทุกเริ่มจากอาวิชชาหรือไม่คะ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 เวลาไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสพเขาก็จะไม่ทุกข์เหมือนกับคนที่ไม่ติดยาเสพติดเขาก็ไม่ทุกข์เวลาไม่มียาเสพติดอันเหมือนกับกระบวนการของความหลงที่จะพาให้จิตคิดถึงสิ่งที่อยา ก, ยากจะเสพพอมีอวิชชาที่ว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสนันก็จะคิดหารูปเสียงกลิ่นรสกันแล้วพอมันด้านก็จะมาเสพกัน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 ชอบไปหาความสุขที่เป็นทุกข์กันคือรูปเสียงกลิ่นรสราบยศสรรเสริญต่างๆพอได้มาแล้วก็ต้องทุกข์ทุกข์เพราะรักเพราะห่วงเพราะห่วงทุกข์เพราะสูญเสียมันมีแต่ความทุกข์ตามมาคำ ถ, ถามจากคุณนุชนะัทรบกวนพระอาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหินพระธาตุที่เสด็จมาเองด้วยค่ะ อ, อ๋อเราไม่รู้ล่ะไม่เคยเห็นไม่เคยพบ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 สอนตัวเองให้สำเร็จก่อนเมื่อสำเร็จแล้วจากจะไปสอนการไม่มีปัญหาอะไรถ้าตัวเองยังสอนตัวเองไม่ได้ก็อย่าไปเสียเวลาสอนคนอื่นคำถามจากคุณวราพรลูกชายอายุเก้าขวบสวดมนต์นั่งสมาธิทุกคืนก่อนนอนมีครั้งหนึง่งลูกชายบอกว่าจิตสงบมากจนพุทโธหายไปลมหายใจก็หายไปด้วย ลูกชายบอกว่าจิตสงบละเอียดมากและมีความสุขมากแต่หลังจากครั้งนั้นแล้วจิตลูกชายยังไม่รวมยังไม่รวมลวมแบบเดิมได้อีกลูกชายถามว่าต้องทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็ทาเหมือนตอนนั้นเลตอนนั้นเคยทำยังไงให้มันรวมก็ทำแบบนั้นไปคำถามจากคุณนริพนพรเคยเห็นและได้ยินบางคนที่เป็นนักจิตใต้สำนึก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 ถ้าไปคิดว่าเกิดเกิดอยู่เรื่ยมันมันจะไม่ตายหรือเปล่ามันก็ต้องตายอยู่ดีถ้าจะไปคิดว่ารวยด้วยมันคิดว่าจะไม่จนเวลาตายมันก็จนเวลาตายมันก็หมดอยู่ดีอั้นเป็นความหลงความหลอกตัวเองเป็นความหลอกคนโง่ที่จะหาเงินจากคนโง่ที่ไปไปฟังเพราะเวลาไปฟังเขาสอนก็ต้องเสียเงินให้เขาไอคนสอนอนะ่ะมันคิดบวกมันได้แ น, น่แต่ไอคนโง่อนะ่ะมันมีแต่เสีย เสียงินแล้วเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้อะไรไปคิดบวกมันก็ไม่ได้อะไรเพราะของมันจะได้มันต้องเกิดจากการหาแสวงหามันถึงจะได้อยากจะได้เงินทองมานั่งคิดบวกมันเดี๋ยวเงินมันจะมาเองนะอยู่ดีๆเงินในธนาคารมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบเท่าร้อยเท่าเปล่าถ้าเราคิดบวกมันไม่ขึ้นหรอกมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราไปขายขนมนี่ยขายขนมกำไรก็เาเงินนี้ไปฝากธนาคารอยู่เรื่อยเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นมาเอง ไม่ใช่มานั่งคิดบวกคิดบวกแล้วเงินมันจะเพิ่มขึ้นมาได้ไงมันไม่ได้อยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่การกระทาของเราเราต้องหาวิธีที่จะทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วก็ทำเพื่อให้มันเกิดรายได้พอเราทำแล้วเกิดรายได้มันก็ร่ำรวยขึ้นมาได้หมาเศรษฐีที่เป็นอยู่วันนี้เมื่อก่อนเขาก็มีเสือใบหมอนใบทาไมเขาสามารถเป็นหมาเศรษฐีขึ้นมาได้ เขาไม่ได้นั่งคิดเฉยๆเขาไม่นั่ ง, น, งนั่งคิดบวกเฉยๆเขาทายาทํางานปีหนึ่งนี้หยุดแค่สาวันต้องตุนจีนวันอื่นก็ทำมันทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เคยปิดร้านใช่ไหมร้านคนจีนนี่เขามีปิดไหมวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีปิดอะบอยมันทุกวันปิดมันก็แค่เฉพาะตุนจีนนะนเวลาจะใช้เงินมันก็เลยมีน้อยมีแต่เวลาหาเงินนอนก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นสิ แต่พวกเรานี่มันวันหยุดมากกว่าวันทำงานไงเนี่วันใช้เงินมันมากกว่าวันหางานหาเงินมันก็ไม่มีใครรวยกันทุกคนดังั้นมันไม่ได้อยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่การกระทําถ้าอยู่ต้องคิดคิดให้ถูกเท่านั้นเองคิดว่าต้องวิธีที่จะทําให้เงินเพิ่มนี้ทําอย่างไรพอรู้แล้วก็ทําไปตามที่เราคิดไม่ใช่นั่งคิดเฉยๆแล้วมันจะมาเองไม่มีวันที่จะมาได้คิดบวกให้คิดยังไงถามจริงอ่ะ ที่ว่าพุ่งนี้จะต้องได้ร้อยล้านอย่างนี้เหรอนี่เ่องคิดบวกก็ว่าแล้วถ้าพรุ่งนี้มันไม่มาจะทําทไงก็ต้องคิดต่อไปสิบางเรื่องนี้ก็ไม่มาอีกมันต้องคิดว่าวิธีที่จะทําให้เงินมันมามาอย่างไรเราต้องทำมาหากินค้าขายซื้อมาขายไปหรือมีบริการอะไรที่คนก็ยินดีที่มาใช้บริการของเรา เป็นหมอนวดอย่างนี้นวดไปเดี๋ยวก็มีคนมาเดือเป็นคนที่มาเปิดสัมมนาสอนให้คนคิดทางบวกพวกเนี้รวยได้เพราะเขารู้จักวิธีหาเงินเขาคิดว่าวิธีหาเงินก็คือมานั่งหลอกให้คนที่โง่ให้มานั่งคิดเอาเงินจ่ายพวกที่อยากได้เงินแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องทําอะไรให้เพียงแต่คิดบวกอย่างเดียว มันเหตุมันมีเหตุคือการกระทําผลมันถึงจะเกิดขึ้นความคิดก็เป็นเหตุอันหนึ่งแต่ไม่พอต้องคิดแล้วต้องทําด้วยทํททาทางร่างกายผลถึงจะเกิดขึ้นคําถามจากคุณวิรัติทาไมจิตไม่รวมหรือรวมยากมากครับมีวิธีแนวทางปฏิบัติหรือเปล่าครับเพราะไม่มีสติคอยกํากับความคิดไงคอยหยุดความคิดมันก็ไม่รวม คิดมันก็เหมือนรถที่ไม่รถที่ยังวิ่งอยู่มันก็ไม่หยุดนะถ้าอยากใช้รถหยุดก็ต้องคอยเหยียบเบรกเหยียบเบรกแลเดี๋ยวรถนั้นก็หยุดเองถ้าอยากจะหยุดให้จิตนรวมก็ต้องหยุดความคิดคอยหยุดความคิดอย่าให้คิดพอไม่คิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมคําถามจากคุณการทําวัดเช้าแล้วทําวัดเย็นต่อเลยได้ไหมครับ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 กับเรื่องของแฟนเดี๋ยวแฟนไม่ทําตามใจเราหน่อยก็เสียใจแล้วชวนแฟนให้ไปเที่ยวแฟนบอกไม่ไปแค่นี้ก็เสียใจแล้วร้องโหมร้องไห้ขึ้นมาแล้วหมดแล้วนะยังไงใครอยากจะฟังอยากจะถามอะไรไหมถ้าอาจารย์ถ้าพักที่นี่ได้บ้างบ่ได้ไม่มีที่พักนลย โน้มคนนึงบอกว่าพ uh, uh. ี่นี <sak ın> <Okay. S 1> ้ริศสอนโจตบอดลขอเบิดทุบอะไรก็ต้องไปถามเขาดูนี่เพรานั่นกินคือสัญาอาจารย์สัญญางานเราคนบอกโอ้ริสอย้ายีตรงนี้ก็ไปถามยามดูสิยามที่เฝ้าทางประตูเข้ามาเนี่ยถามเขาถ้าไม่มีอะไรเราก็จะได้เลิกประชุมกันนะก็ กี่ว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิ น, พนิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท่าน